ว่าสชว่าชะตาแล้วมีเพื่อนอุ่นดีอุ่นใจสลาก็มีด้วยม่ไฟฟ้าพระพุ่ธเจ้าหนักกว่าพวกเราหนักมากขนาดเราเนี่ยังจะไปอ่อนอยู่เลยพวกเราก็มีเรากอก็นั่งพูดอย่างนี้ลบหลองคำสอนพระพุทธเจ้าเอาคอเป็นประกันว่านี่แหละถูกทางแล้วจะเริ่มสตินี่ จะไปอะไรอีกยอดเหรอสุดยอดเหรอเห็นได้ๆละตรงนี้หละทางผ่านทางผ่านได้ว่าแต่ให้เรามาสร้างความรู้สึกตัวเลยดีใจกับอาจารย์โทนท่านพูดให้ความปฏิบัตรริทมการเห็นกิเลส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 กิเลสมารขันธ์ ม, มารมัจุมารสังขารมารเทวบุตรมารพระพเจ้าเคยชนะมาแล้วด้วยจเจริญสติแบบนี้เลยนะพระพทริยศเขาก็ฟองสูงแล้วไคิดถึงกับเพ่ อ, อเกษตรไร้ไร้ด้าฮะฮะหองหลู่ห ง, งร้านฟันว่าฟันเห็นร้านมาแล้วพ่อทายกเนี่ย ไม่ร้านสาววอ้ร้านเห็นล้านวะอ่าฮ่าฮ่ากลพระความกัน